อนาปติวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ575 1้ิบห้พิสูตที่ได้รับแจ้งไว้ก่อน2อพิกษุผู้เป็นไข้3าพิสูุที่รับแจ้งไว้หรือพิกษุชั้นของเป็นเดนของพิกษุผู้เป็นไข้ 4. ีพิกษุรับของนอกอารา ม, มาชั้นในอาราม5้พิกษุชั้นรากไม้เปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้หรือผลไม้ที่เกิดในที่นั้น 6. ภิกษุชันของเป็นยามากาลิกสัตตาหะกาลิกและยาวะชีวิกเมื่อมีเหตุจำเป็น7ดภิกษุวิกลจริต8ภิกษุต้นบัญญัติปาทิเทสนิยสิขาบทที่สี่จบ